บทภาชณีติกาภาจิตตรี1 1ิ8กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องบวชให้ต้องอบัติภาจิตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัติภาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัติภาจิตตีติกะทุกกฏกรรมที่ทาไม่ถูกต้อง